คนไม่มีปัญญาไม่อยู่ป่าคนเดียวก็ข้ามฝั่งอย่างแดนมนริอยู่ไม่ได้ในความหมายอคือเหมือนกับว่าเป็นการสู้กันหนึ่งต่อหนึ่งปกติอยู่ป่าก็ต้องอยู่หลายคนนะอยู่คนเดียวไม่ไหวแต่นี้เหมือนกับสู้กันตัวต่อตัวเหมือนสิทธาคดเลส สมณะสกิยบุตรมีความมุ่งมั่นอยู่ป่าเพื่อกันเอาชนะกิเลย์ลืมแม่อยู่เหมือนอยู่คนเดียวปกติก็จะสอนอยู่กับกัลยาณมิตรหลายแห่งหลายที่นะที่พระพุทจ้ากันพูดตรัสถึงการอยู่กับกัลยาณมิตรแต่นี่พูดถึงความแก้วกลาความกล้าหาญในการอยู่คนเดียว ท่านบอกว่าข้ามฝั่งแห่งแดนมรรติยูไม่ได้คือไม่สามารถที่จะอยู่ต่อสู้กับความกลัวมรรติยู่หมายถึงความกลัวกลัวตายกลัวอะไรสารพัดนะคนไหนข้ามความกลัวได้คนนั้นก็พ้นทุกนะรัวดูหมิน่นดูถูกเหยียดหยามแล้วสังเกตดูจิตเราเวลาเราทำอะไรผิด เราจะกลัวเวลาทำอะไรไม่ผิดเราก็กลัวกลัวคนจะหาว่าเราทําผิดพยายามที่จะหาคำเตรียมแก้ตัวเอาไว้างเวลาเขาพูดอะไรปุ๊บตัวตนเรามีเราพยายามแก้ตัวแก้ตัวคือหมายว่าไม่ให้เห็นเขาคนอื่นเห็นว่าเรามีความผิดนะ่ตัวตนของเรามันไม่ผิดอย่างเงี้ยเราไม่ได้ผิดนะเราติด สมมติติดตัวผิดตัวถูกอยู่จิตเรานั้นอยู่คนเดียวบางทียิ่งตัวตนเยอะนะอยู่คนเดียวอยู่หลายคนตัวตนอย่างน้อยอยู่หลายๆคนอย่างทางสังคมเขาเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึนข้นมากลายเป็นสถาบันคือตัวตนมันใหญ่ขึ้น น, นั่นเองอยู่คนเดียวก็ตัวคนเดียวอยู่หลายคนกนหลายคนเป็นกลุ่มเป็นวัดเป็นศูนย์เป็นอะไรมาขึ้นแทนที่จะอยู่ ว่างๆอยู่คนเดียวอยู่ยงสงบสงบเนะี่มันก็ไม่เปลี่ยนให้หรือบางทีท่านสอนภาษินุความพร้อมเพียงสุขสังสะสะะกัสรสสามกีวุติสาธิกาความพร้อมเพียงนํามาซึ่งประโยชน์สุขเวลาอยู่ด้วยหมู่คณะทำอะไรพร้อมเพียงกันทํำนนี้ก็พร้อมเพียงกันทําเวลาเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิก ไม่สร้างเงื่อนไขในสิ่งบุพุทธเจ้าจะไม่ได้สร้างเคารพผู้เป็นเทระผู้ใหญ่แล้วเขาไม่แสวงหาความรู้หรือจิตที่ดีๆจิตว่างๆนอกเหนือในคำสอนของบุพุทธเจ้าเ้าไฟในลัทธิในความเชื่อแบบไสยศาสตร์แบบอะไรเนี่ย ความงมงายความติดที่อยู่กับประเพณีวัฒนธรรมพวกนี้ยเรามีความสุขไหมคือความสุขมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีอ่ะความสุขมันก็มีแต่มีความสุขแบบลกโลกเป็นโลเคีะโลเคียก็หมายว่าความรู้สึกแบบโลกโลกนะความยังเป็นพี่มีน้องความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นผัวเป็นเมียความเป็นลูกเป็นหลานเป็นความรู้สึกแบบ จมอยู่กับโลกยังมีอยู่ในใจเราคือความคิดแบบครอบครัวเนี่ยยังมีอยู่ในหัวเรายังมีความใคร่ความอยากตามวัฒรธรรมประเพณีียแบบชาวโลกอยู่ทุกข์ก็ต้องเกิดกับชีวิตเราเพราะที่ไหนก็ตามมีสังขารปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะว่าอยู่ป่าคนเดียวหรืออยู่หลายคนนะล้วนแล้วต่เป็นปัญหาทั้งนั้นนะ อยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์อยู่หลายคนก็เป็นทุกข์เพราะว่าบางทีเราไม่มีความเพียรในการที่จะชำระล้างใจตัวเองใจมันก็เศร้าหมองลงเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆนะอยาให้มันสงบมันก็ไม่สงบอยากให้มันสงัดมันก็ไม่สงัดบางทีก็อาศัยความสงบส ง, บสงัดวิเวกของความ วิวีของสถานที่เนี่ยเป็นตัวช่วยแต่ในใจลึกๆบางทีเราเห็นหลายๆคนที่อยู่ป่าคนเดียวหรือไปอยู่ที่นู่นที่นี่ด้ตัวคนเดียวเนี่ยแทนที่จะฝ่ปฏิบัติทำตั้ง อ, อกตั้งใจมาขึ้นทำความเพียรมันก็ไม่เป็นแล้วลงเสพอยู่ความสะดวกสบาย วัดจาตัวไหนวัดจาตงังโอ้นานไปนานไปถ้าเราก็ยิ่งติดอารมณ์มากยิ่งตัวตนมากขึ้นคือยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นความเพียรมันน้อยเราไปทำเรื่องอื่นมากเราเรื่องก่อสร้างบางเรื่องเสพสุขอยู่กับการหลับบ้างัมเพลินอยู่กับอยู่คำ ก, กินบ้างถ้าเป็นอย่างนี้ความทุกข์ไม่อาจจะลดลงเมื่อมีความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นใจมันก็ เริ่มแข่งเริ่มเป็นตัวเป็นตนความกลัวเริ่มมีมากลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวไข้เราต้องเริ่มเล่นอยู่กับอยู่กับยาล้วทีนี้สมุนไพรวะนี่ความเจ็บความไข้ความพอใจในหน้าตาความมีหน้ามีตาความเขาเรียกว่าเป็นเทพนิกายความเป็นเทพนิยายคือการสร้างเป็นคนสร้างภาพะ เป็นคนหลงสร้างภาพอย่าเราปฏิบัติธรรมก็เป็นภาพของนักปฏิบัติธรรมทีนี้บางทีมีภาพอะไรเราชอบติดภาพประนั้นนะบางทีภาพอะไรบ้างอ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นอะไรก็อันนั้นแหละเป็นภาพเราบางทีเราเป็นนักปฏิบัติธรรมสมครเราเป็นักปฏิบัติธรรมสมควเป็นจเจ้าอาวาสเนี่ยสมควเป็นพระเนี่ย เราเป็นโยมเป็นนักปฏิบัติเป็นคนเข็บอารมณ์คนเละตานี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเข้าไปในสิ่งนั้นจริงๆอย่างจังไปเลยนะเราไปเป็นนั้ น, น, นกันเลยแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าว่าไม่ทําได้ตามนั้นนะ่ะเรารู้สึกว่าผิดพลาดอะไรเนี่ยสักอย่างนะเรารู้สึเราผิดพลาดเราทําอย่างนั้นไม่ได้ อย่างเราบวชมาเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้บวชมาแล้วน้าทําไม่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็เป็นทุกข์นะมันนักเรียนเป็นนักเรียนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างเขาไม่ได้นะอาจจะเป็นหพราหัวไม่ดีสมองไม่เกง่งอะไรประมาณเนี่ยเราก็เบื่อหน่ายไม่อยากเป็นอยากหนีออกแต่ความเป็นจริงคือถ้าสอบเขาไปแล้วมันก็เรียนได้นะ ตัวเราเองก็เหมือนกันนะเข้าสู่ในศาสนาเนี่ยเขาจมีความรู้สึกตัวอ้าวก็เรียนได้แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่นั่นนะในความเป็นตัวตนที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเพียนมากเกินไปเพียนน้อยเกินไปสติน้อยไปศรัทธาน้อยไปวิริยะมากไปเลยนยะสติสมาธิพวกเนี้ยเราต้องสังเกตสํารวจตรวจสอบตัวนี้อยู่สว่งเสมอ ว่าองค์ทําตรงไหนที่อืมขาดหายไปเององค์ทําตรงไหนที่มันไม่ตั้งมันมันไม่โตเท่ากับตัวอื่นศรัทธามากวิริยะน้อยวิริยะมากแต่สติไม่มีสติมีแต่ความไม่ต่อเนื่องปรากฏเกิดขึ้นความต่อเนื่องก็พอมีนะนะแต่ปัญญา เห็นแจ้งไม่ปรากฏเกิดขึ้นซักทีมันขาดตัวไหนเราก็พยายามสังเกตตรวจสอบอยู่นี่เลยถ้าเราดูอย่างนี้บ่อยๆ อ, อยู่ป่าคนเดียวก็ตามอยู่ป่าหลายคนก็ได้คำว่ามรติยูจะไม่มอมาเห็นเนี่ยเออมันเป็นได้วันวันหนึ่งนี่จะว่างใจเนี่ยใจว่างใจสงบสงัด ใช่สบายไม่ต้องไปเรียงร้องหาสภาวะของสันติภาพก็ได้มันเกิดขึ้นเองนะสันติภาพเนี่ยมันปรากฏเกิดขึ้นเองส ง, งบสันติมาเองมันอยู่ไหนเอา้าทุกอย่างเมื่อปล่อยวางกลับคืนสู่ธรรมชาติเมื่อไหร่อะความทุกข์มันก็ไม่มีนะ เมื่อใดก็ตามใจมันกลับคืนสู่ธรรมชาติความทุกข์มันก็ไม่มีเมื่อไหร่ที่เราอยากมีอยากเป็นหลงก็ไปอยู่ในความมีความเป็นบรรทุกขทันดีนะเห็นไหมใจเราเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่ยเฉยๆมันคืนสู่ธรรมชาติของความเฉยความว่างความไม่มีตัวตนได้เมื่อไหร่มันไม่ทุกข์นะหรือใครถูกบงังไม่ได้ทุกขนะ์ไอ้ที่มันทุกข์นี่คืออยากบรรลุบ้างนะ อยากทั้งโลกบ้างอยากอันนั้นบ้างอยากอันนี้บ้างเราไม่เคยกลับไปหาใจเดิมๆ เ, เราเมื่อได้มีความอยากความเฉยๆอยู่ปกติเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์กับอะไรนะแต่เมื่อได้ก็ตามที่เราเอาจริงเอาจังเอ้าทุกทันทีอะหรือไม่เอาจริงเอาจังก็งทุกทันทนีความทุกข์มาจากไหนไมาจากความอยากของเราเองนั่นแหละเมื่อใด k h า n อยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็ตามมา ความปรุงแต่งก็ตามมามันมาแต่นีอ่ะนั้นไปอยู่คนเดียวเอา้าเฉยไม่ได้อยู่กับความปรุงแต่งอยู่กับความอยากมีอยากเป็นอยากได้ก็เรียกว่าเสวงหาพบอยู่กับพบนะ่ะพบคือความรู้สึกว่าเราเป็นอันนั้นเราเป็นอั น, นี้เรือความอยากเป็นนันนั้นอยากเป็นนันี้ย พอเข้าไปอยู่ในนี้เพราะเรามีอวิชชาพราะมีอวิชาก็จะมีพบอวิชเชอความไม่รู้แจ้งตามความจริงของสัจธรรมทุกมันปรากฏเกิดขึ้นทนันที อ, อะ่ะพ่อเลยพ่มันไม่มีอะไรมีแต่ความเป็นตัวตนเมื่อใดก็ทําจิตที่มันรวมตัวกันเป็นตัวเป็นตนเมื่อใดเนี่ยความทุกปรากฏเกิดขึ้นเมื่อนั้นน่ะทุกขังทนันทีเลยอย่างคนปฏิบัติธรรมจะเห็นทุกง่ายขึ้นและเห็นทุกได้ไว เห็นความกลัวความอะไรทั้งหลายนี่ปรากฏเกิดขึ้นกับจิตทุกอย่างเลยคือทุกข์ก็เห็นชัดนะสุขก็เห็นชัดแต่ความสุขของเรานี่เราไม่ได้อยู่กับสุขที่เกิดจากขรุขฤติกลิ่นเสียงนะแต่เราเอาจจะใส่สุขที่เกิดจากความสงบสงัดวิเวกความมีปีติมีสมาธิมีปัญญายาน ลากรดเกิดขึ้นเนี่ยเรามองไปที่นั้นต่างหากนะไม่ได้อาศัยสุขันเกิดจากรูปพวกกินเสียงนู้นอยู่เพื่ออยู่ดีกินดีทำภาษาชาวโลกนะมีเสื้อผ้าใส่สวยใส่มีเครื่องอะไรเปลี่ยนเครื่องนุ่งเครื่องถือนี่ไม่ใช่เราบอกความสุขทั้งโลกเราก็เห็นมาแล้วมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรนะความสุขทั้งโลกที่เราเคยเห็นเคยพบเคยเจอ เหมือนกันน่ะรูปรสกินเสียงเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมเลยแต่พอมาอยู่เนี่ยมันเหมือนมีเป็นเป็นเทวดานะมีความสะดวกสบายอยากกินก็ได้กินอยากนอนก็ได้นอนอยากอะไรต่ะเนี่ยมันเหมือนมีความสะดวกสบายแล้วมันกลัวการพัดพรากวันทีเราเปลี่ยนสภาพเอา้าทำงานบ้างดิเอา้าช่วยงานอ น, อนุ์ดิเอา้าทำตัวนี้นะ เอาไปอยู่คนเดียวนะไปอยู่ที่อื่นนะเนี่ยอยู่นู่นมันไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้ายอมเพราะจิตมันติดสภาวะติดภพติดชาตินะคือทำลายภพชาติอันนี้ไม่ได้นู่นตาทาความเพียรแต่ก่อนบางทีมันไม่ทุกยังฝันว่ามันดับทุกข์ด้วยนะฝันว่าได้ดับทุกข์โอ้อาการดับทุกข์มันเป็นอย่างนี้เลยอยู่ในฝันนะ เวลาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าจิตมันอยู่ในภวังความสุขมีแต่ปีติเอิบอิ่มต่อเนื่องเลยไปบินธ บ, บาทไปอะไรต่งางๆเนี่ยเอา้าใจขับขึ้นมาโดยธรรมชาติเลยมันเป็นตั้าแต่ฝันนั่นแะใจถ้ามีความรู้สึกว่าจะเอาทางนี้เป็นที่พึ่งจริงๆนะอือเอาความไม่มีตัวตนนี่แหละเมื่อไหร่เรารู้สึกมีตัวตนปรากฏเออมันทุกและ กระทบปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันไม่ยอมไอ้ความไม่ยอมในจิตมันจะมีตัวตนขันห้ามันสร้างภาพขึ้นมากูนะเนี่ยมันมีกูขึ้นมาดันดีเลยคือมันไม่ยอมอ่ะมันกลัวกลัวการสลายตายจากจากความเป็นการรวมยอดของขันห้าเราเนี่ยมันกลัวเหลือเกินกลัวตัวตนมันหลุดไปกระทบปุ๊บออกมนขึ้นมาทันทีความเป็นตัวตนประคองปรากฏเกิดขึ้น วุบขึ้นมาทันดีเบื้ที่ไม่เป็นตอนนั้นเนะ้แต่มันก็เก็บไปคิดตอนเดินจยกมนะ่ะเดินจยกมเอาอีกแล้วเป็นตัวเป็นต น, ต น, ตนตขึ้นมาแล้วนะนั้นก็ฝึกฝึกให้ทันความเป็นผู้หลงอยู่ใบ้ๆนะอย่างที่ว่าเนี่ยเราไปอยู่กับใครที่ไหนเวลาเราเชื่อเวลาคนตำหนิติถิงเราทุกทันทีนะ ที่ทำไมมาว่าเราเราก็อยู่ดีๆแล้วก็อย่างนี้นจิตมันจะวิ่งออกมาลับตันทีสร้างตัวตนขึ้นมาตันทีแต่เราไม่ทันนะแล้วก็เกิดความถ้าคนเท่เากันก็ตึ้งออกไปแต่ถ้าคนโตของเราหน่อยจิตเราจะไม่ออกทันทแีแต่เป็นความน้อยใจนะน้อยใจเหมือนรู้คนนั้นไม่เข้าใจเราคนนี่ไม่รู้เราเราคนอย่างนี้ น, น, น้อยใจ่ะ มันลูกน้อยใจพ่อแม่เนี่ยแล้วก็ห น, นีไปสุดท้ายมันก็บวกกลับมาพระพุทธเจ้าเขาเหมือนนกเหมือนนกนะใจคนเนี่ยเวลาน้อยใจไม่อยากอยู่กับปัจจุบันนะอยู่บนเรือโยนขึ้นบนฝั่งมันเห็นฝั่งก็วิ่งไปหาฝั่งก่อนหาคนโน้นคนนีนนนนะ้แต่สุดท้ายเดี๋ยมันก็ บ, บินวกกลับมาเรือหรือ ว, ว่าตาบนมองออกไปไม่เห็นนะทุกข์ก็ตามนะ แต่เมื่อในเรือโยนนกตัวนี้ขึ้นบนฟ้านกพิราบเนี่ยมันมองไม่เห็นฝั่งมันก็ไม่บินไปคือมองไม่เห็นอะไรที่เป็นตัวตนข้างนอกที่น่าวิร่มชื่นชมเลยมันก็อยู่กับเรือ น, นั่นแหละอยู่กับปัจจุบันนะทมอยู่กับกายนี้เฝ้าดูกายนี้ไปเรื่อยๆนี่ๆเวลาหลบทุกก็หลบใกล้ๆอย่าไปหลบไกลหลบอยู่ใกล้ๆคือทุกนี่มันมัน มีแค่ใจเราอย่ า, อาไปหลบอยู่ในภพในชาติน้นเอาไปหลบอยู่ในบ้านเราล่นเอาไปหลบอยู่ในที่ทำงานเอาไปหลบที่โน้อนที่นี่ไหมอันนั้นภพชาติของมันเราไม่เอาไปปะนั้นเลยเราอยู่กับปัจจุบันที่เฉยๆแต่รู้อยู่กับตัวตนของเราเองเนี่ยเห็นทุกที่เกิดตามความเป็นจริงที่เรารู้เนี่ยเออเห็นมันเป็นอย่างนี้นะ่ะเนี่ยมุ่งมาที่ความสงบสง บ, สงบ ใช่มันเกิดจะไม่ได้ทุกข์อะไรคือถอนออกมาอยู่เรื่อยๆไม่เข้าไปในสุขความเป็นตัวตนถ้าเป็นตัวตนเรื่องธรรมดามันต้องกลัวกลัวนั่นกลัวนี่คนเราติดกับอยู่กับการกินก็กลัวกินไม่อิ่มกลัวซัตวัดแต่ความรู้สึกนึกคิดที่มันจะเกิดขึ้นมาเอาไปมาถ้าคิดมากนะคนคิดมากของปวดหัวเนี่ยคือมันเข้าไปเยอะ แต่ละวันปล่อยความคิดเพลิดเพลินนั้นจะปวดหัวไวเวลาเดินจุ ก, กลมเราก็พยายามไม่ห่าไปในความปวดหรือว่ามไม่ปวดเวลาคนเคยมีสมาธิมากๆปฏิบัติธรรมเวลาคนพูดอะไรมติดอารมณ์มันจะปวดหัวจิดขึ้นมานันทีรู้ทันทีเอาส่งสัญญาณแล้วมากเกินไปแล้วเนี่ยทุกเกิดขึ้นกับจิตเราอีกแล้วเนี่ย ก็สลายมานะันเอะทำความเปลี่ยนซะนอยเดี๋ยวมันก็หายแต่หายไม่หายวาความทุกข์มันจะปรากฏชัดมากโอ๊ยทำไมมันชัดปัานนี้เนาะทุกนะไม่อยากเข้าไปอยู่ในทุกข์แล้วนะนั่นถ้ามันกลัวบ่อยๆกลัวมากๆเข้ามาเข้ามาเข้านะเดี๋ยวมันเกิดนิพพิทาเกิดนิพพิทาเกิดวิราคะความคลาย ความคลายกําหนัดคลายกําหนัดคือคลายตัวของจิตที่มันคิดอันใ น, นประเภทแบบนั้นนะ่ะมันคลายออกไปเลยคลายเหมือนแบบคลายแบบพออยู่ได้อันหนึง่งอันหนึ่งก็คลายแบบตัดเชือกเลยนะเพราะมันมีสังโยชน์ตัวผูกมัดให้มันเป็ น, น, นแต่ก่อนในท้ายแบบหลุลม่ลมๆพออยู่ได้อ่าอยู่ได้ได้อืมแต่พอถึงจนหนึ่งจังหวัดหนึ่งเนี่ยเอาต้องออกคลายแบบ ถูกตัดเชือกไปเลยฮเมื่อแก้ความง่วงเนี่ยต้องแก้ที่ใจนะถ้าเราเห็นมั น, มนง่วงปุ๊บเนี่ยมองมาที่ใจเนะีพยายามหานะถ้าเราจะมองหลับซึมมันไม่ออกหรอกนะชั่วโมงการแก้ไขของเราก็เอาม อ, มอบให้มันอนะทั้งวันทั้งเชา้าแล้วตอนไหนที่เราแพ่นะ่ะมวยเนี่ยยกหนึ่งยกสองยกสามนั่งชกหรือเดินชก เราก็แค่ตรงนั้นนะไม่หว you know, erm ังเออกรชังมันเถอะเดี๋ยวกูก็ไปเดินจกลมกบพออยู่ได้มันไม่ได้หรอกนะตอนคุณไปเดินจูกลมคุณก็ชกกับลมไปนั่นเองไม่ไดมีอะไรคือมันไม่ได้มีคู่ต่อสู้อะไรเดแต่เวลามันง่วงตัวไหนเนี่เหมือนมีคู่ต่อสู้เข้ามาชกกับคุณอ้าวแพ้ทุกทีแพ้ทุกทีเวลานั่งความง่วงมากแพ้ทุกทีแต่เวลาเดินเหอเดินชกลมไม่มีคู่ต่อสู้เลยวันเนี้ยแหน่เราก็ภูมิใจนะว่าไม่ง่วงที่จริง สู้กับผีเนะี่ย น, นั่นไม่ได้มีอะไรแต่เราก็สู้เราคิดว่าเราเก่งในวันนี้ที่จริงไม่มีคู่ต่อสู้เลยนะแต่พอมานั่งทําในสู้กับคู่ต่อสู้เราแย่แล้วนั่นต้องพยายามดูเลยลึกรู้นะทําเนี่ยมันไม่อยู่ไกลมันไม่ได้อยู่ใกล้มันไม่มีใกล้ไม่มีไกล เพียงแค่จิตมันมีตัวตนก็ไม่มีตัวตนนั้นเองท่้นพยายามเลึกรู้คืนสู่ธรรมชาติเดิมมันแค่นี้ความทุกข์ก็หายแล้วอย่าไปติดพบอะไรทั้งนั้นนะพบแห่งความคิดพบแห่งความเป็นตัวตนความพ้วงความเหงาความง่วงความคิดจะนำชีวิตสู่ความเป็นตัวตนความง่วงความคิด นำพาชีวิตสู่ความเป็นตัวตนถ้าดับปุนี้ได้ก็สบายเาเดี๋ยวกลาบพระไปปฏ่าดติความสะอาดนะ